ไทท่านให้เป็นไทยส่วนหนึ่งและก็พร้อมกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเป็นรัชกาลที่ทุกมากก็คือรัชกาลที่ห้าที่เขาจะแบ่งประเทศของตนเองเออวิ่งใช้วิ่งขาวขา ว, วิ่งหน้าวิ่งหลังสู้เขาไม่ได้วิ่งเข้าไปหาเยอรมันวิ่งไปหารัสเซียสมัยนั้นนะแล้วจะไปวิ่งไปหาอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ยังไงเพราะว่าเป็นเขาจะแบ่งประเทศตัวเองอยู่แล้วใช่ไหม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 เออเป็นใครเออต้องรู้จักรู้จักกรรมพืชของตนเองถ้าใครก็าตามไม่ลืมตนเองมองตนเองรู้จักตนเองรู้จักสถานะของตนเองรู้จักการวางเออตัวในการเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุกทั้งหมดนะลูกหลานนะถ้ารู้จักการลืมเจ้าของเท่านนะั้นแหะว่าข้าเป็นใครนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแะเดือดร้อนวุ่นวายทุกทุกหัวละแห่งเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเออนี่ละ่ะ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 ถ้ามันขมจนตาปีอยู่แล้ววิจิตอหัวหน้าบอกว่าให้หวานให้ว่าหวานกับไปว่าหวานตามตามเขาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ว่าหวานตามเขากลัวเขาจะไม่ให้รางวันกลัวเจ้ากพราเขาไม่ให้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนเลื่อนเงินเดือนเงินเดือนไม่กลัวเขาไม่ไม่ให้ร า, า, างวันกับเรา